ตอนคุณกำลังโกรธใครไม่ว่าจะคิดอะไรอย่าเพิ่งเชื่อว่าคุณคิดอย่างนั้นจริงตอนใครกำลังโกรธคุณไม่ว่าเขาจะพูดอะไรอย่าเพิ่งเชื่อว่าเขาคิดอย่างนั้นจริงโกรธแล้วรอพูดตอนหายโกรธได้ถือเป็นเบสิกหนึ่งของการเจริญสติอย่างโกรธอาจเกิดแรงขับดันร้อนๆให้วูวาม บงการนี้พูดยังไม่น่าพูดบงการใี้คิดอะไรที่อาจไม่เคยคิดมาก่อนเลยอย่าเพิ่งเชื่อว่าคุณคิดอย่างนั้นจริงจนกว่าอารมณ์จะสงบลงแล้วค่อยคิดอย่างนั้นใหม่ถ้ายามคิดและยังรู้สึกว่าใช่จึงค่อยเชื่อว่านั่นเป็นความคิดของคุณจริงๆแต่ยามโกรธเช่นกันอาจเกิดแรงกดดันสุดท้ายให้หมดความยับยั้งชั่งใจโล่งพูดในสิ่งที่คิดไว้นานแล้ว แ, แอบซ่อนไว้เปิดโปงตัวจริงเสียงจริงของคนพูดลงพูดทีเดียวจะซ่อนไม่ได้อีกเลยตลอดไปโกรธแล้วรอพูดตอนหายโกรธได้ถือเป็นเบสิกหนึ่งของการเจริญสติเร่งงับปากเพื่อให้รู้ทันหน้าตาของจิตโกรธ หนึ่งในแม่บทมาตรฐานของการเจริญสติคือรู้ให้ทันว่าจิตมีความโกรธเป็นอย่างไรแตกต่างจากจิตไม่มีความโกรธอย่างไรและเพื่อจะเห็นว่าหน้าตาของจิตที่มีความโกรธเป็นอย่างไรก่อนอื่นต้องไม่ให้มันเลอะเลือนไปด้วยวิจีกรรมกล่าวคือถ้าโกรธแล้วพโ่งด่าเลยมีข้ออ้างต่างๆนานาประเภทเรื่องนี้ยอมไม่ได้เรื่องนี้เจริญสติไม่ไหว ยังไงต้องเล่นงานมันก่อนยิ่งอ้างโทษสายิ่งเจริญไม่ใช่สติเจริญมองไม่เห็นความเคลื่อนไหวที่พันผลของจิตม่เท่าทันเลยว่าการปรุงแต่งทางจิตเกิดดับตอนไหนเข้าใจอนัตตาในตนเองดีขึ้นถือสาอนัตตาในคนอื่นน้อยลง ต่อเมื่อฝึกที่จะระงับปากขณะปลุ่งพล่านอยากด่าอยากสวนรู้จักรอให้เย็นแล้วคอยแปลอารมณ์เย็นๆเป็นคำพูดคุณจะมีช่วงเวลาหนึ่งระหว่างร้อนกับเย็นรู้จักความต่างระหว่างใจดวนด่ากับใจรู้จังหวะพูดระหว่างด่าด้วยไฟกับพูดด้วยน้ำระหว่างด่าเพื่อสาใจหายแค้นกับพูดเพื่อหวังผลดี เมื่อสังเกตตนเองอยู่เห็นความคิดที่ต่างไประหว่างยามโกรธกับยามปกติคุณจะเข้าใจอนัตตาในตนเองดีขึ้นและถือสาอนัตตาในคนอื่นน้อยลงเมื่อมีความกดดันให้คุณคิดวูบเดียวได้ก็มีความกดดันให้คนอื่นคิดวูบเดียวได้เมื่อมีเหตุให้คุณแอบซ่อนความคิดได้ก็มีเหตุให้คนอื่นก็แอบซ่อนความคิดได้ อย่าหวังให้ความคิดและคำพูดของครเป็นดังใจคุณอาจเบสิกดียั้งใจเป็นระงับปากทันรอจนหายโกรธแล้วค่อยพูดพอไปบวกกับความเข้าใจคอนเซปต์ในการเจริญสติของพระพุทธเจ้าที่ท่านให้ดูความต่างทางกายใจก็จะรู้สึกเป็นเรื่องง่ายรู้จักเหตุผลกลไกของการปรุงแต่งทางใจเห็นต่อยอดได้ละเอียดขึ้นเรื่อย วันต่อวัน